ขอความจเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไรแต่ลงปโปติยานกำลังนำเสนอในยะของอภิญญามาถึงข้อที่หกคืออาสวัคยานอาสวัคยานนั้นเป็นผลสูงสุดซึ่งมาจากความสมบูรณ์ในด้านเหตุที่สมบูรณ์ คือถ้าเรียนตามหลักของอริมัคแล้วเนี่ยหมายความอริมัคดวงแปลประการเนี่ยเขาผานึกเป็นเนื้อเดียวกันแต่เรียกว่ามัคคสามมังคีคือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วมันเกิดความรู้ประเภทที่เรียกว่าสมัยญานะคือความรู้ในทางที่ชอบไอตัวสมัยยาณะเนี่ยมันจะทําหน้าที่ขจัดสับปกิเลตทั้งดวงเรียกชื่ อ, อยังไงก็ได้นะให้หมดไปจากใจต่อจากนั้นก็เป็น สัมมาวิมุตต์คือจิตหลุดพ้นในฐานที่สอบตอนการมองเนี่ยเราจะมองจะสายไหนล่ะมองจะสายละอาสวะก็ได้นะมองจะสายเจริญใจศีขาก็ได้นะมองจากสายของตัววิมุตต์เองก็ได้อาศัยนยัยยะไปจุดไหนก็ได้ในที่นี้ก็อยากจะให้มองเรื่องตัวอาสวะ อาสวะเป็นการเก็บสะสมอารมณ์ผ่านภบชาติต่างๆอาสวะจินใจว่าเครื่องหมักดองนะฮะเช่นปุภาสาวะพาลาสาว ะ, ะอะไรต่ไรเนี่ยเครื่องหมักดองทั้งหลายมัก็นาไปสู่ความมึนเมาเช่นพวกเครื่องดองของเมาทั้งหลายเนี่ยเราจะลองสังเกตว่ามันก็นําไปสู่ความมึนเมา ปัญหาในโลกเป็นปัญหาที่สุดเนื่องมาจากอาสวะภายในใจของมนุษย์โดยเฉพาะปัญหาเรื่องกามหรือที่เรียกว่ากามอาสวะคือเชื้อใหญ่เ น, นี่ยมันอยู่ที่กามอาสวะแต่ว่าภายในใจคนเราที่จริงมันมีกามธาตุนะคือเชื้อของความใคราอยู่ภายใ น, ในใจิตมันจะมีการกำหนดค่าของอารมณ์ด้วยความกำหนัดระครยเพลินชุ่นชื้นยินดี ต้องการจะถือครองครอบครองแยาได้อยากมีอยากเป็นกันโดยประการต่างๆกาหนดค่าของรูปเสียงกลินรถสัมผัสโดยเะพาะย่างยิ่งคือเราอยู่ในยุค ข, ของโลกาภิวัตน์การโฆษณาต่างๆเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะฮะว่ายุคสมัยปัจจุบันเนี่ยใครสามารถควบคุมสื่อต่างๆไว้ได้ าสามารถสื่อสารเป็นแนวเดียวกันได้เนะยมันสามารถสร้างกระแสได้ทั้งบวกทั้งลบเราดูตัวอย่างง่ายๆอ่ะในบ้านเมืองเวียเนี่ยประเทศต่างๆที่มันเกิดปัญหาเช่นเกิดที่ฟิลิปปินส์ก็ดีเกิดที่อินโดนีเซียก็ดีหรือเกิดที่สหรัฐอเมริกาก็ดีเกิดที่สาธารณรัฐของโกก็ดีหรือแม้แต่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี่ เราสังเกตว่าอิทธิพลของสื่อกับของเงินเนี่ยมันจะประสานกันจะแสดงว่าใครมือหนึ่งถือเงินมื่อหนึ่งถือไมโครโฟนแล้วเนี่ยมันจะคลองโลกตายและเพราะว่ามีการชี้นําความคิดในแนวการปลูกกระดมต่างๆเราสังเกตแนวปลูกลกระดมทั้งหลายที่เขาทากันเนี่ยนะแต่ก็ทําอะไรก็ได้ปิดถนนก็ได้หรือมาเย่อๆในที่ต่างๆก็ได้นะ เลยเห็นว่ามีคนที่เป็นแกนนำอยู่ไม่กี่คนเนาะนอกนั้นก็เป็นคนที่ไหลาตางก็มาบ้างนะได้เงินได้ทองบ้างก็แล้วแต่แต่ถ้าไปแวกไปเข้าไปประกบแล้วไปคุยไปพูดไปคุยกับเขาเนี่ก็จะรู้ความจริงแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังก็คือว่าความอ่อนแอนั่นจิตใจของคนในตัวนั้นก็นต้องมีผลประโยชน์อะไรให้ะ คือถ้าม่งคงประโยชน์ให้แล้วก็ไม่ไปแล้วคนจะมาได้ด้วยความโกรธกับด้วยความอยากเช่นว่าจะปิดถน น, นไม่จะทำอะไรก็ตามบุกมดตาม่างๆเราสังเกตว่าเขามาด้วยความโกรธรู้มาด้วยความอยากความอยากนั้นอาจจะถูกม่วเม อ, อาจจะถูกลอหลอกอาจจะถูกล่วงมากอะไรก็ตามสร้างบ้านในกษัตริย์พระแล้วถามว่าทำไมล่ะ เพราะภายในใจของมนุษย์มันมีกามาสะวะอดสะวัคือกามที่สะสมหมักบ่มอยู่ภาในใจแต่มีกิเลสประเภทต่างๆนะบังค่าบางคาวมัน ก, กระตุ้นมาจากข้างนอกแต่ว่าเราต้องมีเชื้อข้างในนี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดพราถ้าเราไม่มีเชื้อข้างในเนี่ยกระตุ้นยังไงมันก็กระตุ้นไม่ได้รเราเรทํานองใล้ายๆกับ มลงวันอยดไข่ในกระจกหรือในหินเนี่ยกระจกหรือหินไม่มีเชื้อหน่าวมะรงวันหยกไข่ลงไปก็เท่านั้นเนี่ยก็ไม่กลายเป็นไ ข, ข่ขาวไม่กลายเป็นหนอนแล้วก็ต้องตายเพราะอารมณ์ที่กระทบใจคนเราก็มีลักษณะอย่างเดียวกันหรือถ้าเราไม่มีเชื้อความกำหนักความขัดเขืง ความาง้ำหอยู่ในเรื่องเหล่านั้นแล้วมันก็เป็นศักดิ์ไปว่าอารมณ์แต่นั้นเองดังนั้นจะเห็นได้ว่าคําสอนบางระดับที่เราดูแล้วไม่น่าจะทําได้อะ่ะแต่ก็ทําได้นะคือรูปศักดิรูปเสียงสักติว่าเสียงปินสัตดิว่าปิน่นรถสักติว่ารถเย็นดอ น, นอนแข็งก็ศักดิ์ไปว่าเย็นดอนนอนแข่งไม่ใช่ศักด์ตุบ บ, บุคคลตัว ต, วตนเราเขาต่างๆเนี่ยฮะ ถามว่าในเรามีเชื้อของความเข้าใจในประเด็นปัญหาเหล่านี้ถึงไหนเนี่จริงๆเรามีเชื่อนะฮะแต่ความลองสังเกตว่าอารมณ์ที่กระแทกใจเรามันเป็นอารมณ์ที่เราชอบกับเราชังแล้วนนัเองฮะอารมณ์อื่นเนี่ยอย่างดีก็สงสัยแล้วความสนใจจะไม่ต่อเ น, นื่องแต่ความและความชังจะฝังใจลึกเลย เราจริงได้ยินเวลาพระพุทธเจ้าทรงสแสดงเนี่ยทรงสแสดงอารมณ์แค่สองประเภทก็อิทารลมอนิถารลมอิทถารลมก็คือลมที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจใจจะฝ่ายคว้าใจกระสันอยากมุ่งมาปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเต็มเพื่อถือครองเพื่อครอบครองอะไรต่าง ๆ, ๆก็ไหลไปเรื่อยๆกับแนวของเนี้ยมันมาจะกลามาสวัรแต่ในหนึ่นเ ง, เงเนี่ยคือก็าเรียกอนิถารลมคือไม่ชอบ ไม่ชอบก็หมายคยวามว่าชอบนะหมายความไม่ชอบสิ่งนี้ก็คือชอบสิ่งอื่นไม่ต้องการกินสิ่งนี้ก็คือกินสิ่งอื่นไม่ต้องการเห็นสิ่งนี้ก็คือต้องการเห็นสิ่งอื่นเห็นว่ามันมีลักษณะซ้อนกันอยู่ชอบกัเพราะการพูดถึงการมาสวานเนี่ยที่จริงมันพูดถึงกิเลสประเภทโทสะไปด้วยอยู่ในตัวนั่นแหะเพรามันซ้อนกันอยู่ในตัวเองตัวของมันเองมันซ้อนมันอยู่สองเรื่องลองสังเกตนะ เช่นสมมติเรารักคนคนหนึ่งแล้วคนอื่นเนี่ยคนอื่นเนี่ยในกอในขอเนอีน่ยเ ข, ข, ขาเป็ น, นเพืเดดนะาาอ่อนของคนที่เรารักเนี่ยเรารักในกอในขอด้วยในกอในงอเนี่ยมาเป็นศัตรูเราคนเดียวรักกราโกรธด้วยนะนั้นก็แสดงว่ามันปุดปนกันอยู่ซ้อนๆกันด้วยแล้วพอคนที่เรารักเนี่ยเกิดบาดเจ็บล้มตายเราจะเกิดโศกเลยคนที่รักมีความเจริญก้ามแล้าเราจะดีใจไลย แต่แม้แต่ลมายินดียินร้ายเนี่ยมันปนปนกันอยู่ในเรื่องอารมณ์เรานี้แนวกามาสวะเนี่ที่จริงท่านเน้นที่ตัวกิเลสกิเลสที่มีอยู่ภายในใจมีความพอใจมีความยินดีมีความปรารถนามีความต้องการมีความกำหนัดมีความเพลิดเพลินมีความอยากได้โอ้ก็เยอะเลยชื่อเยอะเลยท่านเรียกในทางความเข้มข้นที่มันทาำปฏิกิริยาต่อจิตในขณะนั้นๆ โดยเด่นว่าความขึ้นข้นในเรื่องเหลเนี้ยมันจะแตกต่างกันชื่อก็จะเรียกออกมาไม่เหมือนกันการใช้ชีวิตในยุค ข, ของข้อมูลข่าวสารยุคสื่อสารโทรค ม, มนาคมเป็นปัญหาที่น่ากลัวมากที่สุดเวลนี้คือกระแสที่สร้างกันขึ้นมาเราสร้างทางสร้างสรรค์ก็ดีสร้างสรทางสร้างสรรคมันไม่เคยเกิดนะฮะเราลองสังเกตนะสมมติว่าเนนะี่ย สมมุติว่าเรามีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างดีด้วยกันทั้งสองอย่างไหนอย่างหนึ่งคนก่อการเจรจุนนะเขียนข้ากันอุดรุดอย่างหนึ่งคนประกอบกิจกรรมทางศาสนามีการจเจริญกรรมฐานมีการไหวพระโสดมนมีการฟังธรรมมีการศึกษามีการทำเต้นมาร์โฆษณาอย่างดีด้วยกันอย่างนั้นถามว่าคนจะไปทางไหนไปทางโน้นแหละ หรือว่าสินค้าลดแลกแจกแถมต่างๆ น, นี่โฆษณาใครไปซื้อราคาเท่านั้นจะได้รางวัลเพิ่มเติมเท่านั้นนะจ๊ะอะไรเนี่ยคนจะแห่ไปมากกว่านั้นก็แสดงว่ามนุษย์แต่จะไหลคือกระแสกามาคุณเนี่ยมันจะไหลทำนองคล้ายๆกับ น, น้ำไหลลงตามเน่ยมันไหลง่ายนะฮะแต่ว่าการจะทวนกระแสเนี่ยทวนกระแสความอยากคือบรรเทาความอยากเนี่ย มันบรรเทายากให้เราสังเกตว่าแม้แต่เราจับฉลากอกะไรๆต่างๆเราได้แตนไม่มีคนไม่ได้เนี่ยฮะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราได้นอนข้าคนพิษตอนเล่าถึงพิสุณีรูปหนึ่งจิธุระนันถาพิสุณีแสดงรูปร่างทั้งของอ้วนใหญ่ะนะฮะท่านไปบินทบาตไปรับบาตที่บ้านนนทายกคนก็ตักเท่าๆกันนะฮะ แต่ถ้ามีความรู้สึกในบาตรท่านมันน้อยอ่ะแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะบาตรของท่านก็ไหลไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่พอใจตลอดก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆจจ น, นั้นวิสุดบ้านบบาตรของท่านมันย้อนกลับมาหาท่านคือเปลี่ยนกับแม่ชีรูปสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านยังรู้สึกว่าของก่านยังน้อยอยู่ก็ไม่มีบาตรจะเปลี่ยนบาตรนั้นเลยกลับมาหาท่านเป็นการตัวอย่างแสดงถึงว่า ในความเต็มความอิ่มในอารมณ์ที่ตนปราตนาเนี่ยมันมันอิ่มไม่ได้มันเต็มไม่ได้ที่จ้าทงแสดงว่าแม่น้ําเสม อ, อไปตานามีอยู่เราแสดงว่าแม่น้ำํำบางทีก็เต็มได้นะฮะแต่ว่าปัญหานี้ไม่เต็มไม่มีใครจะตอบสนองความต้องการได้ตานะก็คือการมาสว่านนั่นเองแต่มันทําปฏิลเกลียต่อจิตค่อนข้างแรง ทำใหจิตมันดิ้นพลั้นไปในอารมณ์ต่างๆสายไปในรมณต่างๆเกิด ค, ความาร้อนในแรงปรารถนาท่านก็เรียกมันว่าตัญหาลักษณะก่นนอให้เกิดความมีความเป็นแล้วก็มีความนนะประณันตเพลิดเพแล้วก็เพล่ดเพินยิ่งยิ่งขึ้นไปจิตสาระคตสุกพันธุ์อยู่ก็เล่นเดอดนั้นวัในในนวรงนี้ท่านละนะะเราก็ ท, ทําแค่บรรเทา มันเราควบคุมทิศทางของตาหาคล้ายๆกับกระแสน้ําที่มันไหลนี่ถ้าเราควบุมทิศทางมันได้เราใช้ประโยชน์จากมันได้เพราะาจริงๆกิเลสประเภทนี้เป็นกิเลสประเภทสร้างนะที่มันมีปัญหาคืออยากมากเกินไปพออยากมากเกินไปมันไม่เต็มไม่อิ่มไม่พอมันก็มีลักษณะคล้ายๆกันคล้ายๆกับประเทศไทยไปเป็นประเทศกเศษกษตรปกรรม พัฒนาสูงสุดในด้านเกษตรกรรมเนี่ยควรจะอยู่ที่เกษตรอุตสาหกรรมเพราะเรามีวัตถุดิบเยอะหรือครัวแล้วสามารถที่จะพัฒนาประสานงานกันให้ดีให้เป็นครัวของโลกเลยให้คนในโลกเนี่ยพ้อ ม, มาฝากไว้กับประเทศไทยแต่เราก็เกิดไปอยากมากเกินไป ต้องการจะไปเอาสินค้าไปผิดแข่งขันกับคนที่มีเทคโนโลยีสูงแล้วประเทศเขามันมีความพร้อมมากวาะะมากว่าอะไรไ่มากกว่าโดยก็หงายหลังลงมาที่เห็นเนี่ยมืเ่เกิดโลกมากเกินไปต้องการโตเร็วมากเกินไปกอย่าลืมว่าแนวตรงนี้ไม่ว่าแนวอะไรต่างๆอย่างที่บริษัทหนึ่งที่ต้องซื้อพิมพ์จ้าบำหนึ่งคันนั้นบวามาก เราลองคุยกับลูกน้องเขาก็สงสัยมันโตมาได้ยังไง <_ d ata> เขาก็เล่าฟังว่าโอ้โต อ, อ, อ, อ, อ, อย่างนี้โตลําบากนะโตแบบกระตูนะเนี่ยกระตูนนี่มันยืนจะไม่แข็งมันจะล้มอะมันก็ลนะ้มจริงๆเพราะทิศทางของมันเนี่ยทํายังไงจะควบคุมมันได้เรามีความอยากนะแต่ควรจะได้สักท่านไหนล่ะ เราถ้าหาอะไอยากเราจะยื้อแย่งเนี่ยมันมีปัญหาทันทีได้ก็แต่ละคนก็ใช้ความสามารถสแสวงหามาได้มาครอบครองถือครองเ อ, อถึงจุดหนึ่งสามารถเฉลีย่ยแบ่งปันได้ก็เฉลีย่ยแบ่งปันออกไปแต่แม้เราก็คุมทิศทางามันคุะคุณทิฏฐ์ทางของของกามเนี่ยมันได้และความเป็นอย่าง่งเนี่ยภาวาสวะเนี่ยคือความเป็น เป็นนั่งแต่นี้เป็นโน่นตลอดทุกมันเกิดในพวกชาติต่งตางๆดที่แบะนี้เพราะว่ากันไปนะฮะเอาแค่เพราะเป็นนะะคือจุดอ่อนของมนุษย์เนี่ยมันมีความขัดแย้งกันในตัวมนุษย์เองแล้วเราก็แก้ไม่ตกอะมันปนิษย์สมันแบบนั้นเท่านั้นเน่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ไม่ใช่ทางนั้นนะส่วนใหญ่เป็นงั้นคือมันมีความขัดแย้งกันว่ามนุษย์เนี่ยมันอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยากอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้อยากได้อยางมีอยากเป็นเราพูดไงอยากได้อย่างมีอยากเป็น แต่ว่าเหล่านั้นมันเป็นผลซึ่งจะได้จะมีจะเป็นเนี่ยคุณก็ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักหน่อยแล้วก็จริงเราขี้เกียจขี้เกียจแต่เราอยากได้อยางมีอยากเป็นแล้วไอ้ตรงนี้มันถาให้กายเป็นจุดอ่อนที่ต้องการได้ทางรัดต้องการเป็นทางรัดต้องการรวยรัฐไนะ เราก็มองกลับมาที่ว่าปัญหาซึ่งมาประรบ ก, กันเนี่ยปัญญาเศรษฐกิเห็นไหมฮะขี้เกียจอยากโลภจัดต้องการรวยทางรัดบนความที่บาดของแผ่นดินตัวเองแผ่นดินแม่ของตัวเองปัญหาคอร์รัปชันคือขี้เกียจแต่ต้องการร่ำรวยทางรัฐช่อราด บ, บางหลวงหลอกลวงประชาชนหาผลประโยชน์จากชาติบ้านเมือง ชาวบ้านเมงจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ในความอยากเป็นเหล่าเนี้ยเราลองดูว่าวีนันเนี่ยบ้านเมืองเราถามว่าตําบนเนี่ยเราก็เนเด็กบ้านนอกเรารู้ตําบนเนี่ยมันคืออะไรมู่บ้านนี่มีคนกี่คนมีกี่ครัวเรียนตําบนมีมีคนเราเท่าไหร่คนที่จะบริการตรงนั้นมันซ้อนๆๆๆกัอ น, อ, น, อ, น, อ, น, อ, นอยู่จำนวนมหาศาลนะ่ะ มันอยู่เยอะแล้วมันมีพัฒนากรมันมีเกษตรกรกมันมีอะไรอะไรยเยอะไปก้มต่างๆไ น, นีข้าราชการหน่วยระดับรกรมในก็รมไปอยู่ที่ท้องถิ่นเนี่ยมันเยอะเงินเดือทั้งนั้นเนี่ยเวลานี้เราก็อยากเป็นมีอบอตอมีระดับขึ้นเยอะหรือคนมีเยอะเลยนะแต่ไม่มีงานนะ่ะแต่เงนินเดือนไม่ใหญ่เห็นไหมชาวประเมินไปรอดที่ไหนมันกลายเป็นคนติดลอ้อมันไปไม่ได้หรอก่บประมาณแผ่นดินมันกลายเป็นเงินเดือนมันนหมดเลย แล้วก็ถือเป็นประชาธิปไตยไปพยายามเรียนอเมริกาอเมริกาไปมันงานเนี่ยมันสัมพันกับกลุ่มคนที่รับผิด ช, ชอบประเทศมันใหญ่ใหญ่กว่าเรากี่เท่าล่ะขนาดแคริบเบียนเลยใหญ่กว่าประเทศเราแล้วเขาเป็นแค่ผู้ว่ากันเองฮะเราแผ้เจ็ดสิบอะไรจังหวัดแล้วนี่คือสิ่งที่มันเกิดอะไรมันเกิดจากเพราะว่าต่งหาอยากใหญ่อยากเป็นอยากอะไรอะไรกันต่างๆ แต่เราถึงมีการเลือกต้างอะไรแต่ไรที่ว่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงอะไรแต่ไรเนี่ยบางทีก็ถูกกระหาหว้อะไรก็ก็ตอยก็ก็กกกตอหน่วยย่อยๆอย่างไหลายนะถูกซื้อว่ากรรมการอะไรแต่ไรถูกซื้อเนี่ยมันก็อยากเป็นนะแต่มีความได้ความมีความเป็นเนี่ยคือถ้าเรานองกันโดยเหตุด้วยผลมีคือขจัดรดอวิชานะ เราเห็นว่าราจะคุมอวิชชาสาวะเนี่ยมันลดตัววิชาเราจะมองโดยเหตุโดยผลก็เป็นก็เป็นอ่ะก็พยายามเป็นให้ได้เป็นใน้ดีเป็นให้เป็นแล้วก ko well, ็สมมติได้เป็นตรงไหนก็เป็นให้ได้เลยตรงนั้นเป็นใน้ดีตรงนั้นเป็นให้เป็นตรงนั้นจบก็คือจบมันก็มีลักษณะคล้ายๆกับการแสดงละครแต่เราอินกับความเป็นนะนะแล้วเกิดอับปางเบลอเบล้าไปหมดเลยเรนี้แม้ในหมู่พระเนี่ย ก็รู้สึกอึดอัดเนี่ยเราไปในที่บางแห่งอะรู้สึกอิดอะดว่าทาไมพระมันเปลี่ยนไปเยอะเลยมัน่ า, า, นาจะเมื่อก่อนเราก็เป็นพระเด็กๆ เ, เราก็ไม่รู้นะฮะในสังคมครับเนี่ยแต่พอเราก็ขึ้นมาอยู่ระดับหนึ่งเนี่ยไปเข้าสังคมกค่อนข้างสูงขึ้นเราเห็นว่าเออมันก็แปลกนะวินโดววินัยก็มีไม่ยึดถือไม่ประพฤติปฏิบัติกัน พระเล็กน็ตน้อยพระเล็กไม่ใช่หรอกไม่ใช่พระน้อยน้ออายุน้อยน้อยพรรษา20 20ปีกว่าเนี่ยเป็นราชคณะตําแหน่งสูงสูงเป็นถึงเจ้าคณะภาคอะไรแต่อไรเนี่ยนะะราชคณะชั้นเทพชั้นธรรมเป็นนั่งหน้าคนรุ่นปู่ตัวเองรุ่นพ่อตัวเองเป็นภาพที่น่ากลัวมากนะเพราะว่าในธรรมดินในเนี่ยการนั่งเนี่ยเขาตั่งตามลําดับพรรษาเลยแต่วันนี้เรา ไปยึดถือเอากฎหมายซึ่งมันเป็นเรื่องความไมความเป็นท้าเราไม่ได้เกิดมาจากกฎหมายความเป็นท้าเราเกิดมาจากพระธรรมวิ น, นัยเ็นี่ที่น่นากลัวมากแล้วก็เป็นห่วงเป็นห่วงเยนไรสอปสออะไรต่างๆสอปสอเนะ่ก็ออกมาค่อนข้า ง, างน่ากลัวที่ว่าเป็นส น, นักงานการศึกษ า, าศาสน า, นาศิลปะวันธรรม มันก็เกิดขึ้นมาจากว่าเราอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่ในขณะเดียวกันเราไม่ได้ขจัดอวิชชาทําให้อาการเหล่านี้มันไม่ได้การร้าการควบคุมความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันคุมมันไม่ได้อพอผลคุมไม่ได้มันก็คุมมาเราเองเราก็ถูกครอบนําได้ถูกครอบนาจากจากกระแสของอาสวัตเหล่ า, านี้ ก็ออยังนึกว่าคณะหน้าสงเองก็น่าจะทบทวนนะเรื่องตรงนี้เพราะมันมัน เ, เสร็จแล้วมันก็ตะเอิดอะตลเอิดไปกันได้ผลท้ายกนเด็กไปนั่งห้อยเท้าให้ผู้เท่านั่งกราบแต่เนี่อระมงคลนะฮะคือผู้ใหญ่กราบผู้น้นอยอระมงคลเนี่ยไม่ใช่เป็นมงคลเนะี่ยแล้วก็ไม่ดีในกันนั่งสองฝ่าย มันแสดงให้เห็นถึว่าไอ้พวกอยากเป็นก็ไม่ได้รู้จักประมาณอะไรพวกเป็นเนี่ยไม่รู้จักประมาณอะไรเพราะเลยเพราะว่ามันมีอวิชชาอยู่เบื้องหลังแน่นอนเราก็ไปตัดอย่างท่านบนรรลุไม่ได้หรอกแต่ทาํายังไงว่าลดก a r m a สวะลงไปลดความใคร่ความปรารถนาความพอใจลงไปการได้มาซึ่งอะไรก็ตามมาให้ได้มาในทางที่บริสุทธิ์ให้สุจริต ทีนี้จะเป็นอะไรก็ได้ก็อยากให้เป็นก็เป็นไม่เป็ น, ปนก็แล้วไปอย่าเป็นดิน้นเพิ่มยังความเป็นพระเนี่ยนะแต่มายังงองว่าเราสามารถที่จะทํางานงานไม่ไ ม, ไม่ไม่หวาดไม่ไหวอะมันทําไม่หวาดอะไรมงานมันเยอะเลยโดยไม่จําเป็นจะต้องมีใครตั้งเลยนะไม่มีใครมอบหมายตําแหน่งอะไรให้เลยเพราะจริงๆพระเนี่ยงานมันเกิดมาจากศรัทธาของชาวบ้าน ชาวบ้านเขาหนี้บนเขาอาราดธนาเขาสนับสนุนมงินไปนั่นไปนี้ไปน้มมีงานเยอะนะมีงานให้ทาเยอะเนี่ ย, นะยขีดเขียนแต่งตำหตนักตานาบรรยายออกวิทยุอะไรแต่เนี่ยก็มีงานให้ทําเยอะแต่ว่าเราก็ไปดิ้นรนพูดเป็นนะเป็นมันมันมันมันโอกาสที่จะเกิดกิเลสเนี่ยมันเยอะได้มันเพิ่มกิเลสไปเยอะแต่ถ้าทําเนี่ย มันเป็นอาการรับผิดชอบอาการเสียสลากมันเกิดด้วยกุศลนัยเจตนาเพราะว่าการทําความดีเนี่ยมันไปเัป็นอยู่ในสัมมาวายามะมันก็ต้องมีสติมีสมาสัมชีมีสมาธิฏิสมาจังกปะในขันน้นสนามสนอย่างนั้นก็คูบคุณทิฏฐางควคุณทิฏฐางคือไม่ถึงการความปรารถนาหรือความใคร่ในมากเกินไป ต้องการมีต้องการเป็นมากเกินไปโดยลดอวิชาระดับที่ใช้เหตุผลสติปัญญาควบคุมทิศทางก็เราก็มีความใคร่นะฮมีความอยากเป็นนั่นแหละแต่คุมทิศทางว่าความเหมาะความครูรเนี่ยถึงก็วิ่งเต้นตนี้ยังเป็นผู้แทนเนี่ยทําไมจะต้องซื้อสิทธิ์จะต้องขายเสียงล่ะทําไมจะต้องซื้อล่ะเป็นพระทําทไมจะต้องวิ่งเต้นล่ะเพื่อเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ อยู่อย่างแบบรับผ้ากรถินไม่ได้เลยเวล น, นี้พระรับกรถินยงัง่วิ่งรุ่งเร่งเต้นเลยเขต่อกระถิน่นกรถินมันต้องมาเหมือนกับลอยมาจากหน้าผากาศอะไรมันตกลงทับการตรงเลยผลการได้อย่างนั้นเป็นการได้บริสุทธิ์แต่แสดงว่าเราก็สามารถลดนะฮะเราไม่สามารถละแต่เราก็สามารถลดพวกตอนนี้ลงไปได้หมายความว่าเราก็เดินตามรอยพระอารหาันต์ไปได้ตามรอยพระพุทธเจ้าไปได้ ก็ดีกว่าออกไปนอกลู่นอกทางทิศทางเหล่านี้มันมีอยู่แล้วมันเป็นแบบฉบับเป็นคุณสมบัติแน่นอนคุณสมบัติเหล่านี้ถ้าเรากล่าวโดยสรุปเนี่ยเราไม่ต้องพูดจาแนกแย่ๆเนี่ยอันเดินบนเส้นทาง เ, าเสื้อตยที่ขาเราก็ข้ามบนเส้นทางสายนี้เองแต่ว่าเป็นการมองจากมุมหลายๆมุมซึ่งก็หมายความมุมอือนก็เกิดขึ้นนะ่ะมุมอือนก็เกิดขึ้น คล้ายๆกับเรามองมุมว่าเรากินข้าวอิ่มแล้วนะก็ที่จริงก็คือเหตุที่หิวมันหายไปด้วยความหิวมันก็หายไปด้วยนะอาหารมันก็คล่องไปด้วยจึงเกิดความอิ่มขึ้นมาแต่ไม่จำเป็นจะต้องพูดก็ได้พูดไม่พูดก็สิ่งเหล่านั้นก็เกิดอยู่แล้วเท่าฟังเท่าไรใต้รูปปฏิญาในวันนี้ขอยุติไว้ได้เวลาเป็นกรนีที่สุดนี้ขอความจเจริญงดงามไปบุญในธรรม จะมีได้ท่างผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี